เจ้าปุปกุสะมารบดกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีก็มีมาแล้วพวกบรรปชิตย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมอันสงบหนอคื อ, ค อ, คอใครนับถืออาจารย์ไหนก็จ ะ, ะจะกล่าวสรรเสริญยกย่องอาจารย์นั้นให้แก่คนอื่นฟังหรือให้นักบวชเหล่าอื่นฟังอย่างปุกุสะมาะบดนี้ก็เหมือนกันเขานับถืออาลาลดาบทการามโคตรเพราะฉะนั้น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 บุรุษนั้นประกาศความเลื่อมใสอันยิ่งในอาลาระดาบทกาลามโคดแล้วหลีกไปแปลว่ายอมพักดีกลายเป็นสาวกของอาลาระดาบทกาลามโคดก็เล่านะใครมีอาจารย์ดียังไงก็ชอบจะเล่าะนะเหมือนกับคนที่ไปนับถืออะไรอย่างไรที่ไหนก็จะชอบเล่าสู่กันฟังว่าตัวเองเนี่ยเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะไปนับถือมาอย่างนี้ยแล้วท่านดอานีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็โยกกันไปนะ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 ปุกุสมาระเบิดก็กราบทูลว่าค่าแต่พระองค์ผู้เจริญเกวียนห้าร้อยเล่มหกร้อยเจรแปดร้อยเล่มเก้าร้อยเล่มพันเล่ม1มื0นเล่มแสนเล่มจะทำอะไรได้ผู้มีสัญญาตื่นอยู่เมื่อฝนตกหนักกำลังตกหนักฟ้าแลบฟ้าพายอยู่ไม่เห็นทั้งไม่พึงได้ยินเสียงอย่างนั้นแหละอันเนี้ยทำได้ยากกว่าและทำให้เกิดยากกว่าว่างั้นหมายา็ว่าถ้าเงียบประดับนี้เนี่ยยิ่งกว่าที่กล่าวไปตอนแรก พระองค์ก็ตรัสเล่าถึงพระองค์ว่าดูก่อนปุกุสะสมัยหนึ่งเราอยู่ในโรงกระเดื่องที่เมืองอาตุมาสมัยนั้นเมื่อฝนกําลังตกแล้วก็ตกอย่างหนักฟ้าแลบฟ้าผ่าอยู่ชาวนาสองพี่น้องและโคคู่อีกสี่ตัวถูกสายฟ้าฟาดในที่ใกล้โรงกระเดื่องปุกุสะลําดับนั้นหมู่มหาชนในเมืองอาตุมาออกมาแล้วแล้วก็เข้าไปหาชาวนาสองพี่น้อง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 ดูก่อนผู้มีอายุหมู่มหาชนนั้นประชมกันทําไมหนอไอ้คาว่าไม่รู้ไม่เห็นที่พระพุทธเจ้าอันเนี่ยที่ปองบอกว่าไม่เห็นแล้วก็ไม่รู้เนี่ยไม่เห็นด้วยจักขคูวิญญาณไม่เห็นด้วยจักรคูวิญญาณไม่ได้ยินเสียงเหล่านั้นด้วยโสตวิญญาณแต่ไม่ใช่แปลว่าพระองค์ไม่รู้ด้วยสัพพัญยุตยามองรู้แต่ไม่ได้รับรู้ด้วยทวิปัญจานั่นเองก็เลยที่บอกคําว่าไม่รู้และก็ไม่เห็นไม่ได้ยินเนี่ยนะไม่เห็นไม่ได้ยิน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 อย่างยิ่งในเรากระทำประทักสิณแล้วหลีกไปน่าเคารพมากนะฟ้าผ่าก็ดังดังหลับก็ไม่ได้หลับตื่นอยู่นี่แหละมีสัญญาอยู่นี่แหละแต่ว่าไม่ได้ยินเสียงน่าอัศจรรย์มากเนี่ยใครจะไปทําอะไรได้ง่ายๆใช่ไหมเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วปุกกุศลบรบุตรก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์โปรยความเลื่อมใสในอาลาธดาบทกลามาโคตรลงในพายุ หรือลอยเสียในแม่น้ํานั้นที่มีกระแสเชี่ยวบอกว่าโปรยหมดศรัทธาเลยนะพอฟังคำอย่างนี้หมดศรัทธาในอาลาลดาบทอุตกะดาบทเหมือนโปรยฝุ่นไปกับลมพายุหมดเรื่อมสายเลยแบบนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาสิทธิของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักบุคคลงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่งประทีปในที่มืด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 ป Circuit, ุกุสะมารบทูลรับท่านน้ำรัชพระผู ale, ้มีพระภาคเจ้าแล้วน้อมถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ก็ทรงครองผื้นหนึ่งถวายพระนนครองอีกพื้นหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงยังปุกุสะมารบถให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาถานให้รื่นเริงด้วยธรรมีกถาปุกุสะมารบทอันพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาถานให้รื่นเริง ด้วยทำมีคาถาเสร็จแล้วก็ลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทําประทักศิณแล้วก็หลีกไปเนี่ยนะอย่างว่าเลื่อมใสามากบอกว่าปกติเนี่ยตอนตอนต้นเนี่ยเคยกล่าวว่าพระนนเนี่ยขอพรแปดประการใช่ไหมว่าพระองค์ได้ปัจจัยสี่มาเนี่ยว่าไม่ต้องเอามาฝากท่านพระนนแล้วพระนนก็จะไม่รับแต่ครั้งนี้ครั้งสุดท้ายทําไมจึงรับแลนะนะ พระเถระทำไมจึงรับผ้านั้นรับเพราะเหตุไรเพราะกิดถึงที่สุดแล้วกิดของพุทธอุปถากเสร็จสิ้นแล้วอันนั้นถือว่าเสร็จสิ้นจริงๆเพราะอะไรเพราะหลังจากนี้ไปพระองค์ก็ดับขันธปรินิพพานไอ้ที่อุปถาเหมือนเดิมนี่ไม่ต้องแล้วความจริงท่านพระนรนั้นห้ามลาบเห็นปานนั้นในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่อุปถาแต่หน้าที่อุปถากของท่านนั้นถึงที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นท่านจึง ได้รับเทววิเศจสิ้นภารกิจในการอุปถากพระพุทธเจ้าแล้วก็หรือว่ามหาชนเหล่าใดเพิ่งพูดอย่างนี้ว่าท่านพระนนนเนี่ยที่จะไม่ยินดีท่านท่านนนที่จะไม่ยินดีท่านอุปถากมายี่สิบห้าปีท่านเคยได้อะไรจากพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยคือไม่เคยได้รับอะไรเลยก็คือเหมือนกับว่าเออท่านนเนี่ยปฏิบัติตัวไม่ดีหรืออย่างไรพระพุทธเจ้าจึงตัดความ ตัดอะไรนะเหมือนกับตัดสเสบียงผ้าพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยให้อาหารก็ไม่เคยแบ่งปันให้ไม่ได้อยู่กุฏิเดียวกันแสดงว่าพระองค์เนี่ยเป็นยังไงพระองค์ไม่ชอบพระอ น, นุ์หรืออย่างไรเกลียดท่านนักหรืออย่างไรจึงไม่ยอมถวายปัจจัยสี่เหล่าใดที่ควรจะถวายแก่ท่านพระอ น, นุ์นะทีนี้พระอ น, นุลก็รับเพื่อตัดข้อข้อรหัเหล่านั้นตัดโอกาสอันนั้นว่าที่ก่อนหน้านี้ไม่รับก็เพราะว่า อันนท่านเห็นอำ น, นาจประโยชน์หลายประการแต่บัตรนี้ที่รับก็เพราะมีผลอีกหลายประการก็เลยรับเนี่ยนะ